อะไรวัางน่าเกลียดอะผมขนเล็บผมเนี่ยถ้ามันยังอยู่บนศีรษะอยู่ตามตำแหน่งได้รับการตกแต่งมาเป็นอย่างดีอะมันก็ดูดีแต่ถ้าตัดผมแล้วก็ช่างให้คุณเอาผมคุณกลับไปด้วยนะอย่างเงี้ไหมเอาไว้คุณมูชูเอาเนาะยอมเลยอะหรืออะไรก็ตามถ้ามันหลุดออกจากกายนะเขาบอกให้คุณเอาของคุณอะกลับไปด้วยนะเส็งเื่องแย่เลยนะมันไม่ก็ชอบเลยนะ มาฟันเขาถอนฟันนี่ไม่เคยมีคนขอไปคืนบ้างเลยใช่ไหมมีบ้างอย่างนี้กันไหมอ๋อจะเอาไปแหมแครนมากที่มันที่มันปวดนี่มันทําให้ปวดนะนะอ๋อไม่ลึกว่าจะเอาไปากไปปราบไปบูชาไม่ใช่นะเ น, นี่ยนะ อ, อ, อ๋อใช่ใช่แบบแบบของโบราณหน่อยก็จะเคารพพ่อแม่ใช่ไหมก็ขอฟันพ่อฟันแม่ไปเลี่ยมกรอบใส่กรอบเลี่ยมทองอะไรก็ว่าไป อืมไปด้วยเป็นของลางไปแต่ถ้าโดยมากอย่างยุคนี้แท บ, บไม่มีแล้วเนะเพราะฉะนั้นคำว่ากายความหมายที่สองแปลว่าเป็นบอกเกิดของสิ่งที่น่ารังเกียจอะไรก็ตามนะขอให้หลุดมาจากกายโดยมากเขาเรียกอุจาระหมดเลยเนเสียหายหมดเลยนะขอให้มันหลุดจากกายเถอะเช่นขี้ปากขี้ฟันขี้ใครอะไรอะไรก็เรียกอุจาระหมดเยเสียหายหมดเลย อันหนึ่งแม่กายภาษาธาตท่านก็เรียกว่ากายเหมือนกันเพราะเป็นไปร่วมกับ ส, สัมภาระกายนั้นะนะกายภาษาธาตมันก็อาศัยอะไรเกิดก็อาศัยผมขนเล็บฟันหนังะนะอาศัยสิ่งเหล่านั้นแหละเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่ากายธรรมชาติใดน่าเกลียดย่อมขุดคือทําลายความสุขทางกายเสียเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าทุกข น, นะทุกนี่มันน่าเกลียดนะนะมันทำลายความสุขไปหมดเลยอ่ะนะเช่ <c oughs> นความเจ็บความปวดความเมื่อยอ น, นะความเย็นเกินไปอะไรที่มันทุกๆอ่ะพวกนี้มันทําลายความสุขไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคําว่าทุกเนี่แปลว่ามันน่าเกลียดหรือมันทําทลายความสุขอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าทุกเนี่ยเพราะอาจถาว่าทนได้ยากหรืออดทนยากคือถ้าทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยใครทนง่ายมากไหมมีไหม ปดฟันและทนแหมยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสมีความสุขทนราบเรื่นหมดเลยนะมีไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นคําว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าอดทนได้ยากเนี่ยนะทุกข์แปลว่าทนยากทนเนี่ยนะเพิ่มศัพท์อีกคำหนึ่งเราอดทนยากนะขอให้มันทุกข์เถอะส่วนไหนเกิดขึ้นมานะมันอดทนยากหมดเลยอาจารย์พวกอื่นกล่าวว่าธรรมชาติใดชื่อว่าทุกข์เพราะอถาว่าให้โอกาสแก่ธรรมชาตินั้นอันสัตว์ทั้งหลายกระทําได้โดยยาก คืออะไรก็ตามเหมอะนะถ้าหากว่าให้ทํายากอ่ะนะของไหนที่ทํายากๆอะ่ะสิ่งนั้นจะเรียกว่าเรีกว่าทุกข์อ่ะนะทายากอ่ะนะเช่นโอ้งานนี่มันทํายากมากแล้วให้ไปทําอ่ะอันนั้นก็ให้เกิดทุกข์อ่ะนะเพราะฉะนั้นคําว่าทุกข์แปลว่ามันทํายากมากนะสรุปคําว่าทุกข์เนี่ยแบ่งมีสาความหมายนะหนึ่งทำลายความสุขสองอดทนยากข้อสามทำยาก นะถ้ารู้ว่าจะให้ทุกข์นะยอมไหมเช่นเอาเนี่ยคุณลองไปถอดรองเท้าเดินเหยียบก้อนกรวดหรือไปเหยียบพื้นร้อนๆเนี่ยถามว่าทำง่ายไหมมีใครอยากทำหรอกนันพวกนี้แปลว่าทำได้ยากส่วนจิตชื่อว่าสัมปติชนะเพราะอธรมว่ารับอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นอันปัญจะวิญญาณรับแล้วโดยความเป็นไปตามอาการนั้นคือหมายว่าถ้าจิตเห็น จักคูวิญญาณก็รับขอไปถ้าจากา mm ัก hmm. ค mm ูวิญญาณเห็นสัมปติชนัจิตก็รับต่อถ้าโสตวิญญาณได้ยินสัมปติชนัจิตก็รับต่อถ้าคานะวิญญาณรู้กลิ่นสัมปติชนัจิตก็รับต่อถ้าชิวหาวิญญาณรู้รสสัมปติชนัจิตก็รับต่อถ้ากายวิญญาณรู้โพธพภะสัมปติชนัจิตก็รับต่อ ส่วนจิตชื่อว่าสันติรณ ะ, ะพรอะถาว่าไข่ครวนคือพิจารณาอารมณ์มีรูปเป็นต้นตามที่สัมปติชนะจิตรับแล้วโดยชอบ น, นะถามว่ามันพิจารณาให้มันเป็นอะไรก็บอกว่ามันแค่ดวงเดียวเนะี่มันก็ยังไม่ทันพิจารณาอะไรได้อะไรหรอก น, นะแต่ว่ามันพแต่ว่าโดยความหมายว่ามันไข่ครวนแล้วบางแห่งเขาก็มีมีผู้อุปมาลักษณะว่า พวกที่เห็นเนี่ยนะก็คือมีการรับรับต่อต่อกันมานะในอัธสาลีนีท่านมีข้ออุปมาไว้หลายอย่างที่ชื่อว่าวิบากเพราะอัตราว่าเป็นผลของอกุศลอขออภยัยเป็นผลของกุศลและอกุศลอันนี้สับว่าวิบากเฉยๆนะวิบากนี่แปลว่าผลผลของอะไรผลของกุศลและอกุศลอันขัดแย้งซึ่งกันและกัน คือกุศลกับอกุศลเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์แก่กันและกันเลยนะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่กุศลเรียกอกุศลไม่ใช่สักแต่ว่าไม่ใช่แต่มันเป็นศัตรูแก่กันและกันเลยนะ <urers> เป็นข้าศึกเลยเป็นฝ่ายตรงกงันข้ามกันเลยแต่แหมแต่ว่าใครเนะี่จากจะยอมรับว่าอกุศล น, นี่เป็นศัตรูใช่ไหมก็โดยมากก็ยอมรับแต่ภายนอกว่าเป็นศัตรูแต่ว่าอกุศลที่เกิดในภายในก็ไม่ค่อยยอมรับว่าเป็นศัตรูนะ เจอเช่นกําลังโทสะเกิดขึ้นนะหมา้ศัตรูชั้นเนี่ยกําลังโหใหญ่ลุกลามเลยนะคิดอย่างนี้ไหมคุณวุญชูไม่ค่อยคิดนะสมมติว่าเราไม่ชอบใครเลยนะหม้ไอ้ศัตรูชั้นเนี่ยกําลังระบาดในใจเต็มที่เลยนะหม้แกเนี่ยเลวมากนะไม่เคยย่ำยีชั้นขนาดนี้ไม่ค่อยมีนะมีแต่ใส่ไอ้ข้างหน้านั่นแหละที่ฉันไม่ชอบ น, ะะนั่นแหละแล้วเขบอกว่าไอ้โทสะเนี่ยนะมันเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับฉันทะมันมีความสุขไหมเวลามันโกรธนะ แต่เวลามันเลิกโกรดแล้วอะไรเกิดขึ้นนะมันเดือดร้อนเนี่ยนะคำว่าวิบากเป็นชื่อของอรูปธรรมหรือเป็นชื่อของนามอ่ะนะที่ถึงความเป็นวิบากก็เพราะธรรมธิบายอย่างนี้การเรียกว่าวิบากจึงไม่มีแก่กระตั้ตรูปแม้ที่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นสมุธานคําว่าวิบากไม่ใช่กรรมมชรูปอ่านะ สับว่าวิบากเฉยๆนะเป็นนามธรรมอย่างเดียวส่วนกรรมไม่รูปอีกต่างหากเนี่ยนะอีกต่างหากแต่ก็เป็นผลของกรรมะนะเพราะว่าเจตนากรรมให้ผลได้ทั้งที่เป็นนามธรรมและทั้งที่เป็นรูปธรรมนะแต่คําว่าวิบากล็อกเฉพาะนามธรรมอย่างเดียวจิตที่เป็นวิบากแห่งอกุศลชื่อว่าอากุศลวิบากนั่นมีใครอยากจะ เอาอะไรมาสนทนาเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับเรื่องอกุศลวิบากทั้ง7ดวงที่กล่าวไปเนี่ยนะวันเสาร์นี้ก็เอาเฉพาะอากุศลวิบากก่อนนะถ้าจะขึ้นต่ อ, อย่างอื่นเดี๋ยวก็ไม่จบเธอกล่าวให้จบง่ายๆเนี่ยไม่ยากนะขอมาชั่วโมงเดียวเนี่ยนะเล่มเนี้ยจบหมดเลยก็ได้ไม่ยากเอาไว้คุณจู ชอบมากอย่างนั้นนี่อถ้าไม่มีใครถามออกมาจะถามบ้างไหมทำไมกูเวลาวันดวงที่เจ็ดนี่มันชื่อว่าอะไรอากูสวนี่บอากูสวนบางดวงอืมากำลังกำลังไ้แน่ออออวีบางดวงที่เจ็ดดวงใช่ไหมที่พูดเดี๋ยวนี้นะคะ เดี๋ยว่ะคบอกใบ้นิดนึงละเดี๋ยวไปเลยสันเอาเบกขาสันตีแล้วนะใช่นนะอุเบกขาสันตีแล้วนะอ่าอาจารย์ให้กอขอข้องอมาก่อนไหมโอ้โหขนาดนั้นเลยนะเจ็ดดวงยังให้กอขอข้องอเลยเทนี้สบายเลย จากขูดหมายครัว่าไงจากขูดหมายครับว่าเป็นบอกก็ได้เป็นสอบก็ได้พอแล้ววะบอกบอกว่าตอบมาบอกอ๋อบอกมไงไหมบอกบอกตาตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจจปนบอกใจได้ไม่เข้ากับคำพีได้ว่าอะไรมันคนละกคมพีนะเนี่ยหน้าตาเป็นหน้าต่างของหัวใจมันอีกเรื่องนึงมันคนละวิชากันแล้ว ก็จากขู่หมายถึงว่ามันบอกอย่างหนึ่งชอบอย่างหนึ่งหรือเป็นไปกับสัสมภาระหรือว่าแสดงเนี่ยมีความหมายอย่างสี่ความหมายอันนี้โดยสับนะโดยสับแต่ว่าถ้าโดยมุ่งที่ประสงค์จริงๆก็คือในฐานะความสายแห่งมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปปัตนหาเป็น อุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ส่วนโสตะเนี่ยนะที่ที่เป็นโสตะภาษาท่เลยเนี่ยเป็นความใสของมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมมีความมีสัตวท่าตันหาเป็นเป็นปัจจัยให้ น, นะส่วนภาษาท่เหล่านี้ในฐานะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตต่างๆเนี่ยนะจิตที่อาศัยจากคู่ภาษาท่าเกิดเลยเรียกว่าจากักรวิญญาณเนี่ยนะ คือตัวจิตจริงๆอ่ะชื่อต้องเข้าต ร, ตรงๆเรียกว่าวิญญาณสับเดียวนั่นแหละวิญญาณแปลว่าวิชาณณะอ่านะวิสยาวิชาณารักขณังคือการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะแต่ที่มาเรียกว่าโสตาขานะชิวหานี่เรียกตามตามทวารหรือตามวัตถุอนนันที่มันอาศัยเกิดเนี่ย น, นะเช่นถ้ามันอาศัยจกักรคูเกิดเรียกว่าจากักรคูวิญญาณมันอาศัยโสตะเกิดเรียกว่าโสตะวิญญาณขานะวิญญาณ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจักขุโสตะคานาะชิวหากายวิญญาณเหล่านี้เป็นอกุศลวิบากอาศัยอะไรเป็นเครื่องเครื่องแยกว่านี่อกุศลวิบากนะเนี่ยนะอารมณ์เป็นตัวบอกเช่นวสีที่ไม่น่าปรารถนาคือสีที่ใครเห็นก็ไม่ต้องการอ่ะนะไม่ไม่น่ายินดีเลยอ่ะสีชนิดนั้นแหละเป็นเอ่อเป็นอารมณ์ของอกุศลวิบากเนี่ยนะ หรือว่าสีสีก็เหมือนกันไนหะถ้าเสียงอเสียงที่ไม่น่าปรารถนากลิ่นที่ไม่น่าปร า, ารถนารสที่ไม่น่าปรารถนาโพธิภพที่ไม่น่าปรารถนาผู้ใดก็ไม่ปรารถนาเลยอันนั้นเป็นอันนะเป็นเครื่องบอกว่าจิตที่ไปรับรู้อารมณ์นนั้นเป็นอกุศลวิบากเนี่ยนะอกุศลวิบากแต่ทีนี้อกุศลวิบากโดยมากอะ่ะเป็นปัจจัยแก่อะไร โทสะโดยตรงๆนะเป็นปัจจัยแก่โทสะหรือเป็นปัจจัยแก่ทุกขโทมนัตอุ ป, ปาญาตินี่นะนะบางคนก็โสกะปริเทวะต่อมาเลยเนี่ยนะเนื่องจากอากุศลวิบากเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยถ้ามีคําถามว่าถ้าไม่มีอกุศลวิบากหรืออีกนายหนึ่งถ้าไม่มีทุกข์กายกับไม่มีความเสียใจอยู่เลยจะศึกษาธรรมะไหม ตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมานะเอาไหมคือถ้าทุกกายก็จักไม่มีเสียใจก็จักไม่มีต่อไปหมายความว่าทุกโทมานัตจะไม่เกิดเลยในสังสารวัตต่อไปข้างหน้านะจะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะไม่มีสองตัวนี้นะถามว่าจะศึกษาไม่คําสอนพระพุทธเจ้าอา้าวถ้ามันเกิดก็ไม่เป็นไรถ้ามันเกิดแล้วมันไม่มีผลคือทุกกโทมานัตนะไม่รู้จะเรียนไปทําอะไรจริงๆ ไม่น่าศึกษาหรอกธรรมะนะถ้าไม่ที่สุดแล้วมันไม่นําไปสู่ทุกข์กับโทมนั์นะเรากลัวนรกเพราะกลัวอะไรกลัวทุกข์กายใช่ไหมกลัวอบายก็กลัวทุกข์นั่นแหละสรุปแล้วว่ากลัวทุกข์ว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกขะในในในบรรดาอริยสัต ท, ทั้งหมดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าชี้เรื่องทุกข์มาให้เห็นเป็นอันดับแรกเพราะอะไรเพราะมันเห็นชัดเห็นง่ายเนี่ยนะแต่แต่บางท่านก็บอกว่าเอา้ามันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนานะ มันไม่ใช่แค่เสียใจเท่านั้นนะที่เป็นทุกขาริยาสัตว์ไออย่างอื่นเป็นทุกขาริเป็นทุกขาริยาสัตว์แต่ในที่สุดสิ่งเหล่านั้นนําไปสู่ทุกกายและทุกใจหมดเลยโดยมากนะ น, นี่พูดแบบปุถุชนนะวิสัยของปุถุชนวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก่อให้เกิดทุกกายและก่อให้เกิดความเสียใจทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราจึงรังเกียจหรือจึงกลัวไอความทุกข์อันนี้แต่ทุกเหล่านั้นเนี่ยก็มีเหตุเป็นแดนเกิด เช่นจักขุนซีเนี่ยนะขอไปจักขูวิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นปัจจัยและกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชาเป็นปัจจัยใช่ไหมที่ทํากรรมนี่ก็เพราะอวิชาสรุปแล้วอวิชาเป็นปัจจัยจึงทํากรรมกรรมเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเหล่านี้วิญญาณเป็นปัจจัยจึงมี นามรูปเนี่ยนะมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะเนี่ยนะมันก็เป็นปัจจัยกลับมาอีกอายตนะเป็นปัจจัยแก่ภาษะภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงอุปาทานอุปาทานเสร็จก็พบเนี่ยนะถามว่าถ้าไปเห็นอกุศลการเห็นที่เป็นอกุศลวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดวจีกรรมม อันนะว่าแบบรับเลยนะเป็นไหมไปเห็นของไม่ดีพูดถึงไหมพูดไปได้ยินของไม่ดีทำกรรมต่อไหมทาก็พูดอีกอันนะจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีฟังเสียงที่ไม่ดีรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธภาภะที่ไม่ดีอ่ะนะอวิญญาณเหล่านั้นอะ่ะเป็นปัจจัยแก่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมหมดเลยสักแต่ว่ารับรู้ก็เป็นมโนกรรมกรรมก็เป็นปัจจัยแก เป็นปัจจัยแก่วิบากเป็นปัจจัยแก่การเกิดต่อไปทำเชนไหนเนาะที่สุดแห่งทุกเหล่านี้จึงจกปรากฏได้ทํำยังไงนะจึงจะสิทธิ์อาจจะถึงที่สุดแห่งกองทุกเหล่านี้ได้อ่นะเมื่อเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องอย่างนี้นะอ่นะก็บอกว่าทำเชนไหนการทําที่สุดแห่งทุกจับพึงปรากฏชัดแก่เราได้พระพุทธเจ้าก็บอกวิธีแล้วนะบอกว่ายังไงบอกว่า วิญญาณอันนี้จังอ่ะนะวิญญาณไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะตามเห็นว่านี้เรานะนี่ของเรานะนี้อัตตาของเรานะไม่ควรใช่ไหมมันก็ตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราอ้าวแล้วมันเป็นอะไรไอ้วิญญาณนั้นเป็นอะไรอ๋อมันเป็นวิญญาณที่เกิดจาก ปัจจัยปัจจัยของเขาอะนะกว่าใกล้นหน่อยก็คือมีนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณมีนามรูปเป็นปัจจัยเนี่ยนะนามรูปก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยนะวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปมันก็อยู่ใกล้ๆนั่นนะเนี่ยนะนยนะนก็เป็นปัจจัยอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าผู้ใดที่ละฉันทราคะในนามรูปเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดผู้นั้นก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็เที่ยวไปหรือผู้ที่ จัดฉันทราคะในวิญญาณเหล่านี้ได้หมดสิ้นเนี่ยนะก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกแต่ทีนี้ย้อนคืนอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องเห็นให้คู่ควรแก่การเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในจกักรครวญญาณนะเมื่อไหร่นะจะบอกว่าเบื่อเหลือเกินที่จะได้เห็นเนี่ยนะเบื่อในการเห็นไม่ใช่โทสะนะเบื่อเนื่องจากว่าจากักรครวญมันไม่เที่ยงสีไม่เที่ยงสอะอาอุปนิสัยต่างๆที่ทําให้เกิดจกักรครวนี่มันเป็นของไม่เที่ยง ของพวกนี้มันน่าเบื่อนะมันไม่มีเที่ยงไม่มีจีรังยั่งยืนคบแต่สิ่งที่มันเหมือนกับว่าคบไม้อ้อไม้ผุไม้ไม้ที่มันมันมันผุมันกร่อนมันไม่เที่ยงมันไม่จีรังยั่งยืนไม่น่าคบหาสมาคมเลยนะเมื่อไหร่นะจะตัดเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกับคนถอนดอกบัวในสาระาการเนี่ยนะดึงบัวก็ถอนเลยนะเมื่อไหร่นะกำจัดฉันราคะอนันต์ได้ถ้ากําจัดเยื่อใยในขันห้าเหล่านี้ได้ก็ ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่สักข้อที่สําคัญที่สุดนะวันนี้คุณไปตามเห็นโทษของจักขุวิญญาณหรือยังนะข้อสาคัญอันนั้นมากนะหรือว่าไปแล้วก็ลืมหมดเลยนะถ้าลืมเลยก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปก็เรื่องของเราไปนะคนละวิชากันใช่ไหมเราก็ไม่เอาทางโลกกับทางธรรมมาเกี่ยวกันอยู่แล้วแบ่งเวลาเป็นอย่างั้นนี่เก่งมากก็กลมโนน่ะกล่มที่แบ่งเวลาเป็นอันนัสุขอย่างสุก กลางวันทุกกลางคืนเน่ะนะกลุ่มนั้นเรียกกลุ่มอะไรตอบได้กันแล้วนะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะ